คราวนี้ท่านก็อยากจะทำบุญบ้านเมื่อการทำบุญบ้านเมื่อกี้เนี่ยพวกเราก็รู้ว่าท่านได้ทำ <c oughs> ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณเป็นปงสาขนาญาิหรือว่าเป็นพ่อตาแม่ยายหมู่เพื่อพวกเพื่อน <c oughs> ที่ได้ล่วงลับดับขันไปที่ท่านผู้การลำเลึกคิดถึง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 ที่หลวงพ่อเองได้ประสบะการณ์มา เ, าเล่าเล่าให้ลูกหลานได้ฟังนานๆหลวงพ่อจะเล่าที่เนืเอ่องมันเกี่ยวกับนี่แหละเรื่องการอุทิศส่วนกุศลนี่แหละถ้าก็เป็นคนอื่นหลวงพ่อก็จะไม่เล่านี่เป็นหลวงอาโยมอานะโยมอาของหลวงพ่อนะออคือหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกพี่ชายคนโตของตระกูลเป็นพี่ชายสูงสุดมีพี่น้องอยู่หลายคนนะ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 อ่านให้ผมฟังได้สิบท่านอาจารย์ที่ผมเขียนเนี่ยผมก็เขียนรีบน ะ, ล ง, บบน ะ, ะ, ะลงตามหาบัวก็จับขี่จับมาอ่านวะๆว้าวจุมลวงตามหาบัวว่าอย่า ง, งนะั้นนะใครจะไปอ่านออกเขียนขยุขยักภาษาเจ้าเองท่านก็เลยจับขึ้นมาวะๆวะ ว, วจุมเห็นแต่จุ่มอยู่ข้างล่างเนะผู้ใหญ่จุ่มว่าองนั้ เอันัออ้นก็ออหัวเลาะกันเนี่ยนี่ท่านยังเอามาเล่าอยู่บ่อยๆเนี่เออหลวงหลว ง, ง, งตาของเราตรงตามหาบัวนเนี่ยถ้าใครฟังได้ได้ไดฟังวิทยุนเนี่ยได้ยินเน่ะผู้ใหญ่จุ่มเนี่ยแหละคือโยบอาของหลวงพอ่อแหละจากนั้นก็แม่ชีเจียงโอ้บวชมันตั้งสามสิบสี่สิบปีโยบยาของหลวงพ่อกระบวชมาตั้งสามสิบกว่าปีนะสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อเนี่ยเป็นตระกูลนักทักพรตนักบวช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 เขาเหล่านั้นเขาคน น, ค, นคนนั้นคนคนนั้นปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่ Pascal, ให้ถูกต้องเป็นธรรมเขายังไปสู่สวรรค์ได้นี่พราะพุทธเจ้ารับรองถึงขนาดนั้นคือให้ระลึกถึงพระคุณบุคาาคลผู้มีอุปการะก่อนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอย่างไรกับผู้มีพระคุณท่านเหล่านั้นทั้งสองท่านนั้ น, อ, นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของบุตรทิดาของพวกเราทุกๆท่านที่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 มันถึงคราวนั้นแล้วเป็นเครื่องเรื่องของใครของเราละ่ะใครช่วยใครไม่ได้ละ่ะมีแต่มีแต่ ต, อตอนเองช่วยตนเองเท่านนะ่ะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่ทานว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถพระโรซิยาใครเอิใครและคนอื่นเลยจะมาเป็นที่พึ่งของเราได้ในข่าวเช่นนี้เราต้องเป็นที่พึ่งของเราเพราะนั้นพวกเราจะพึ่งใคร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 ใจแก่ไม่มีมีแต่ว่าใจก็คือใจเออแต่ว่าใจของเราเนี่ยเอสมมุติว่าเราจะทําเราอยากจะทำอยู่แต่มันทําไม่ได้เพราะร่างกายเราไม่ให้แต่ใจของเราเนี้นยจังหนุ่มอยู่เสมอเอออย่างหลวงพ่อเดียวนี่เหมือนกันหลวงพ่อมองดูเลยหลวงพ่อเนี่ยเอ่อใจของเราเนี่เอยากจะทําด้วยเท่านี้แต่ร่างกายมันไม่ไหวละมันใช้มันมันมันมันมันใช้ร่างกายไม่ไหวแล้วเนี่ยเหมือนกับโซเฟอร์เนะ่ยถึงจะฝีมือ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 ดัน้ขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนประกอบคุณงามความดีสัง่งสมบุญกุศลสรุปแล้วคือตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรลกสวรรค์มีอย่างที่หลวงเจ๊กติดอาตมาหลวงพ่อได้พูดได้เล่าให้ฟังนะอันนี้นคือในปัจจุบันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายผีน้องของหลวงพ่อทั้งหลายที่ท่านได้รู้ได้เห็นแต่หลวงพอ่อไม่ได้เห็นต่อหน้าหรอก